ทุตังคปะปกนินกะกะถาบัรนี้ถึงวาระที่จะพันนาความแห่งคาถานี้คือกุศลันติกะโตเจวะทุตตาธีนังวิภาวโตสมาสพยาสโตจาปิวิญญาตพโภวินิชโยแปลความว่านักศึกษาพึงศึกษาให้เข้าใจข้อวินิจฉัยทุดง โดยความเป็นกุศลติกะหนึ่งโดยแยกออกเป็นคำคำมีคำว่าทุตตะเป็นต้นหนึ่งโดยย่อและโดยพิสดารหนึ่งวินิจฉัยโดยความเป็นกุศลติกะในอาการเหล่านั้นคำว่าโดยความเป็นกุศลติกะมีอธิบายดังต่อไปนี้ ก็แล้ทุดงทั้งหมดสิบสาประการนั่นแลจัดเป็นกุศลด้วยอํานาจแห่งเศรษาบุคคลและปุถุชนก็มีจัดเป็นอัพยากรด้วยอํานาจแห่งพระอาหารหันตขีนาศก็มีแต่ทุดองที่จัดเป็นอกุศลหามีไม่อาจจะมีผู้ใดทวงติ่งว่าแม้ทุดงที่จัดเป็นอกุศลก็มีเหมือนกันโดยมีพระพุทธว จ, จะนะเป็นอาทิว่า ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำแล้วเป็นผู้อยู่ในป่าชนี้นักศึกษาพึงแถลงแก้เขาดังนี้เรามิได้กล่าวปฏิเสธว่าภิกษุไม่อยู่ในป่าด้วยอกุศลจิตความจริงภิกษุใดมีอาการอยู่ในป่าภิกษุนั้นชื่อว่าผู้อยู่ป่าอันภิกษุผู้อยู่ในป่านั้น จะพึงเป็นผู้มีความปรารถนาลามกก็มีจะพึงเป็นผู้มีความมากน้อยก็มีเป็นธรรมดาข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วว่าก็แลทุดงเหล่านี้เป็นองค์ของภิกษุผู้ได้นามว่าทุตตะเพราะเป็นผู้มีกิเลสอันกาจัดแล้วด้วยเจตนาเป็นเครื่องสมถานนั้นๆฉะนั้นจึงชื่อว่าตุตังคะ อีกอย่างหนึ่งยานอันได้วัวหานว่าทุตตะเพราะเป็นการกาจัดซึ่งกิเลสเป็นเหตุแห่งการสมาทานเหล่านั้นฉะนั้นการสมาทานเหล่านั้นจึงชื่อว่าทุตังคะอีกในยะหนึ่งการสมาทานเหล่านั้นได้ชื่อว่าทุตะเพราะเป็นเครื่องกาจัดซึ่งธรรมะอันเป็นค่าศึกและเป็นเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติด้วยฉะนั้น การสมทานเหล่านั้นจึงชื่อว่าทุตังคะก็เมื่อการสมทานเหล่านี้จะพึงเป็นองค์ของภิกษุใดภิกษุนั้นเป็นผู้ชื่อว่ากำจัดอะไรอะๆด้วยอกุศลก็หาไม่ได้โดวยว่าอากุศลย่อมกำจัดบาปอะไรอะไรไม่ได้เพราะคําอธิบายว่าอากุศล น, นั้นเป็นองค์แห่งการสมทานเหล่าใด ก็จะพึงเรียกการสมาทานเหล่านั้นว่าทุตังคะไปเสียที่แถอากุศลย่อมกำจัดกิเลสมีความละโมบในจีวรเป็นต้นไม่ได้เป็นองค์แห่งสัมมาปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะเหตุฉะนั้นคำว่าทุ ด, ดงที่จัดเป็นอากุศลหามีไม่มนี้เป็นอันกล่าวชอบแล้วอันหนึ่งแม้ความพิรุษ จากพระบาลีก็จะถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าทุดงแม้ของภิกษุเหล่าใดซึ่งพ้นไปจากกุสลติกะทุดงของภิกษุเหล่านั้นนั่นแหละย่อมไม่มีโดยความหมายสิ่งที่ไม่มีความหมายจักชื่อว่าทุตังคะเพราะกําจัดสิ่งอะไรเล่าผู้บำเพ็ญทุดงย่อมจัดสมทานเอาทุตตะคุณไปประพฤติปฏิบัติอยู่ เพราะฉะนั้นคำของภิกษุเหล่านั้นหมายเอาทัศนะของพวกภิกษุชาววัดอภัยคีรีไม่ควรถือเอาเป็นประมาณพันนาโดยความเป็นกุศลติกะอันเป็นประการแรกในกถานี้ยุติเพียงเท่านี้วินิจฉัยโดยแยกเป็นคำๆมีคำว่าทุตะเป็นต้น ในข้อว่าโดยแยกออกเป็นคำคำมีคำว่าทุตาเป็นต้นมีอธิบายดังต่อไปนี้นักศึกษาพึงเข้าใจคำเหล่านี้คือทุตะหนึ่งทุตะวาท้าหนึ่งทุตธรรมหนึ่งทุตังคะหนึ่งการเสพทุดงเป็นที่สบายใจแก่บุคคลชนิดไรหนึ่งในคำเหล่านั้นคำว่าทุตา หมายเอาบุคคลผู้มีกิเลสอันกำจัดแล้วอีกอย่างหนึ่งหมายเอาธรรมะอันเป็นเครื่องกำจัดซึ่งกิเลสในคําว่าทุตตะวาทะนี้มีอธิบายดังนี้คือบุคคลมีทุตตะแต่ไม่มีทุตะวาทะหนึ่งบุคคลไม่มีทุตตะแต่มีทุตตะวาทะหนึ่ง บุคคลไม่มีทั้งทุตตะทั้งทุตตะวาทะหนึ่งบุคคลมีทั้งทุตตะทั้งทุตตะวาทะหนึ่งในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดกำจัดกิเลส ข, ของตนได้ด้วยทุดงแต่ไม่โอวาทไม่อนุาสาดบุคคลอื่นด้วยทุดงเหมือนอย่างพระภากุลเทระบุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีทุตตะแต่ไม่มีทุตตะวาทะ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านพากุละนี้นั้นเป็นผู้มีทุตะแต่ไม่มีทุตะวาทะบุคคลใดมีได้กำจัดกิเลส ข, ของตนด้วยทุดงยอมโอวาดยอมอนุาสาดบุคคลอื่นด้วยทุดงแต่อย่างเดียวเหมือนอย่างพระอุปนันทะเทระบุคคลนี้ชื่อว่าไม่มีทุตะแต่มีทุตตะวาทะ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านอุปนันทะผู้สักยบุตรนี้นั้นเป็นผู้ไม่มีทุตตะแต่มีทุตตะวาทะบุคคลใดวิบัติจากทุตตะและทุตตะวาทะทั้งสองอย่างเหมือนอย่างพระโลลุทายีบุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีทั้งทุตตะทั้งทุตตะวาทะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า พระโลลุทายีนั้นเป็นผู้ไม่มีทั้งทุตตะทั้งทุตตะวาทะนั่นเทียวบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยทุตตะและทุตตะวาทะทั้งสองเหมือนอย่างพระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะบุคคลนี้ชื่อว่ามีทั้งทุตตะมีทั้งทุตตะวาทะนั่นเทียวสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านสารีปุตตะนี้นั้นเป็นผู้มีทั้งทุตตะ ทั้งทุตตะวาทะคำว่าพึงเข้าใจทุต ธ, ธรรมนั้นมีอธาธิบายว่าธรรมะห้าประการอันเป็นบริวารแห่งทุตังค์าเจตนาเหล่านี้คือความมักน้อยหนึ่งความสันโดษหนึ่งความขัดเกล่าวนึงความสงัดหนึ่ง ความต้องการด้วยกุศล น, นี้หนึ่งคืออิทธมัติตาชื่อว่าทุตธรรมทางนี้เพราะมีบาลีรับรองว่าเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความมักน้อยนั่นเทียวในทุตธรรมหประการนั้นความมักน้อยกับความสันโดษสงเคราะห์เป็นอะโลภะความขัดเกลากับความสงัดคล้อยไปในธรรมสองอย่าง คืออโลภะและอโมหะความต้องการด้วยกุศล น, นี้จัดเป็นตัวยานโดยตรงในอโลภะและอะโมหะนั้นโยคีบุคคลย่อมกำจัดความโลภในวัตถุที่ต้องห้ามทั้งหลายได้ด้วยอโลภะย่อมกำจัดความหลงอันปกปิดโทษในวัตถุที่ต้องห้ามนั้นแหลได้ด้วยอโมหะอันหนึ่ง โยคยีบุคคลย่อมกำจัดการมสุคาลิกานุโยคคือการประกอบตนในการมสุขอันเป็นไปโดยมุกคือการเสพวัตถทุที่ทรงอนุญาตแล้วด้วยอโลภะย่อมกำจัดอัตากิลามฐานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากอันเป็นไปโดยมุกคือความขัดเกล่าย่างเคร่งเครียดในทุดงทั้งหลายด้วยอะโมหะเพราะเหตุดังนั้น ธรรมะเหล่านี้นักศึกษาพึงทราบว่าทุตตธรรมทุตังคะคําว่าพึงเข้าใจทุตังคะนั้นมีอัธยาธิบายว่านักศึกษาพึงทราบว่าทุตังคะคือทุดงมีสิบสามประการคือปังสุกูลิ ก, กังคะหนึ่ง จจิวาริกังคะหนึ่งปินทปาติกังคะหนึ่งสัพทานาจาริกังคะหนึ่งเอกาสนิกังคะหนึ่งปัตตปินทิกังคะหนึ่งขลุปัชชาพัตติกังคะหนึ่งอารัญญิกังคะหนึ่งรุกขมูลิกังคะหนึ่งอภโกาศิกังคะหนึ่งโสสานิกังคะหนึ่งยทาสันติกังคะหนึ่ง และเนสัตชิกังค้าหนึ่งทุกตังค์ค้าทั้งส3าประการนี้ได้อัตหาที่บายโดยอัตหาวิเคราะห์และโดยลักษณะเป็นต้นมาแล้วในตอนต้นในที่นี้จึงไม่อธิบายซ้ําอีกการเสพทุดงเป็นที่สบายแก่บุคคลชนิดไรคำว่าการเสพทุดดงเป็นที่สบายแก่บุคคลชนิดไรนั้น มีอัธยาที่บายว่าการเสพทุดงเป็นที่สบายแก่บุคคลที่เป็นราคะจริตกับโมหะจริตเพราะเหตุไรเพราะการเสพทุดงเป็นข้อปฏิบัติที่ลำบากและเป็นการอยู่อย่างขัดเกลาวกิเลตจริงอยู่ราคะย่อมสงบลงเพราะอาศัยการปฏิบัติลำบากผู้ไม่ประมาทย่อมละโมหะได้ เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอีกประการหนึ่งในบรรดาทุดงเหล่านี้การเสดอรัญญิกังคาทุดงกับรุกขมูลิกังคาทุดงย่อมเป็นที่สบายแม้สำหรับบุคคลที่เป็นโทสะจริตด้วยเพราะว่าเมื่อโยคขีบุคคลอยู่อย่างที่ไม่ถูกกระทบกระท่งในป่าหรือที่โคนไม้นั้นแม้โทสะ ก็ย่อมสงบลงเป็นธรรมดาพนานาความโดยแยกออกเป็นคำๆมีคำว่าทุตะเป็นต้นยุติลงเพียงเท่านี้วินิจฉัยโดยย่อและโดยพิสดารข้อว่าโดยย่อและโดยพิสดานั้นมีอัฐยาธิบายดังต่อไปนี้ วินิจัยโดยย่อก็แลวทุตดวงสิบสามประการนี้เมื่อจัดโดยย่อมีเพียงแปประการเท่านั้นคือองค์ที่เป็นหัวใจสามองค์ที่ไม่เจือปนห้าในสองลักษณะนั้นองค์ที่เป็นหัวใจสามนั้นคือสัปปธานาจาริกังคะหนึ่งเอกาสนิการคะหนึ่ง 1, อโภโอกาสิกังคะหนึ่ง อธิบายว่าเมื่อโยคีบุคคลรักษาสัพปปธานาจาริกรังคาทุดงจะได้ชื่อว่ารักษาปินทปปติการคาทุดงไปด้วยและเมื่อโยคีบุคคลรักษาเอกาสนิกังคาทุดงจำเป็นอันต้องรักษาด้วยดีแม้ซึ่งปัตตะปินทิการคาทุดงและขรุ ป, ปรชาพัตติกังคาทุดงไปด้วย เมื่อโยคีบุคคลรักษาอัโภกาสิกังคาทุดงก็เป็นอันต้องรักษาในรุกขมูลิกังคะทุดงและยะถาสันติกังคะทุดงอยู่ในตัวมิใช่หรือองค์ที่เป็นหัวใจสามดังอธิบายมานี้กับองค์ที่ไม่เจือปนอีกห้าคืออารัญยิกังคะหนึ่งปังสุกูลิกังคะหนึ่งเตจิวริกังคะหนึ่งเนสัชิกังคะหนึ่ง โสสานิกังคะหนึ่งจึงรวมเป็นทุดงโดยย่อแปดประการพอดีอีกประการหนึ่งทุดงสิบสามประการนี้สงเคราะห์ลงมีเพียงสี่ประการเท่านั้นคือทุดงที่ประกอบด้วยจีวรสองที่ประกอบด้วยบินทบาทห้าที่ประกอบด้วยเสยนาสนะห้าที่ประกอบด้วยความเพียรหนึ่ง ในบรรดาทุดงเหล่านี้ในสัจจิกังคะทุดงจัดเป็นทุดงที่ประกอบด้วยความเพียรทุดงนอกนี้ความปรากฏชัดอยู่แล้วอีกประการหนึ่งเมื่อว่าด้วยอำนาจเครื่องอาศัยแล้วทุดงทั้งหมดนั้นมีเพียงสองประการคือทุดงที่อาศัยปัจจัยสิบสองที่อาศัยความเพียรหนึ่ง แม้เมื่อว่าด้วยอำนาจเป็นสิ่งที่ควรเสพและสิ่งที่ไม่ควรเสพทุดงทั้งหมดนั้นก็ย่นลงเพียงสองประการเหมือนกันอธิบายว่าเมื่อโยคีบุคคลใดเสพทุดงกรรมฐานย่อมเจริญอันโยคีบุคคลนั้นพึงเสพทุดงเถิดเมื่อโยคีบุคคลใดเสพทุดงกรรมฐานย่อมเสื่อมอันโยคีบุคคลนั้นไม่พึงเสพทุดง ก็แต่ว่าเมื่อโยคขีบุคคลใดจะเสพทุดงก็ตามไม่เสพก็ตามกรรมฐานย่อมเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมเลยแม้อันโยคขีบุคคลนั้นหวังที่จะอนุเคราะห์ชุมนุมชนภายหลังพึงเสพทุดงเถิดแม้เมื่อโยคขีบุคคลใดเสพทุดงก็เท่านั้นไม่เสพก็เท่านั้นกรรมฐานไม่เจริญขึ้น แม้อันโยคียบุคคล น, นั้นก็พึงเสพทุดดงเถิดทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จเป็นวาสนาต่อไปทุดดงทั้งหมดนั้นซึ่งย่อลงมาเป็นสองด้วยอำนาจเป็นสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพดังอธิบายมาแล้วนี้ก็สรุปลงเป็นอย่างเดียวด้วยอำนาจแห่งเจตนาเป็นความจริงทุดดงมีอย่างเดียวเท่านั้นคือเจตนาเป็นเครื่องสมาทาน แม้ในคำพีอัตคถาท่านก็พันนาไว้ว่านักปราดทั้งหลายรับรองว่าเจตนาอันใดทุดดงก็อันนั้นฉนันนี้วินิจฉัยโดยพิสดารก็แลเมื่อว่าโดยพิสดารทุดดงมีถึงสี่สิบสองประการ คือทุดงสำหรับภิกษุ13บสาำหรับภิกษุณี8สํสำหรับสามเณรส2บสองสำหรับนางศิกขามนาและสามเณรีเจ็ดสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาสองและถ้าสุสานอันถึงพร้อมด้วยองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกติมีอยู่ณที่กลางแจ้งภิกษุแม้เพียงรูปเดียว ก็สามารถเพื่อที่จะเสพทุดงทั้งหมดได้โดยวาระเดียวกันแต่สาหรับภิกษุณีนั้นทุดงสองประการคืออรัญญิกังคาทุดงหนึ่งขลุ ป, ปัชชาพัติกังคาทุดงหนึ่งทรงห้ามไว้ด้วยสิกขาบทแล้วนั่นเทียวทุดงสามประการนี้คืออภโกาสิกังคาทุดงหนึ่งรุกขมูลิกังคาทุดงหนึ่งโสสาริกังคาทุดองหนึ่ง เป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากเพราะว่าอันภิกษุณีนั้นที่จะอยู่โดยปราศจากเพื่อนย่อมไม่สมควรและเพื่อนซึ่งจะมีชันทาเสมอกันในสถานที่เห็นปานดังนั้นก็หาได้ยากแม้ถ้าจะพึงหาได้ก็ไม่พ้นไปจากการคลุกคลีเมื่อเป็นดังนี้ภิกษุณีพึงเสพธุดงเพื่อประโยชน์อันใด ประโยชน์นั้นนั่นแหลก็จะไม่พึงสำเร็จแก่ตนนักศึกษาพึงทราบว่าเพราะเหตุที่เป็นสิ่งไม่อาจจะเสพได้ดังบรรยายมานี้ทุดงสำหรับภิกษุณีจึงมีเพียงแปดประการเท่านั้นโดยลดเสียห้าประการในบรรดาทุดงตามที่กล่าวแล้วยกเว้นแต่จิวริ ก, กังฆาทุดงเสียนหนึ่งทุดงที่เหลือสิบสองประการ เป็นทูดงสําหรับสามเณรในทูดงแปประการสําหรับภิกษุณีนั้นลดเสียหนึ่งคือแต่จีวริกังทูดงที่เหลือเจ็ดประการพึงทราบว่าเป็นทูดงสําหรับนางสิกขามนาและสามเณรีก็แลทูดงสองประการนี้คือเอกาสนิกังฆาทูดงหนึ่งปัตตาปินทิกังฆาทูดงหนึ่ง เป็นสิ่งที่คู่ควรแก่อุบาสกและอุบาสิกาด้วยสามารถที่จะเสพได้ด้วยฉะนั้นธุดงสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาจึงมีเพียงสองประการว่าโดยพิสดารทุดงทั้งหมดส2สิบสองประการด้วยประการชนนี้พันณาความโดยย่อและโดยพิสดารยุติลงเพียงเท่านี้ ก็แลด้วยอถ า, าธิบายเพียงเท่านี้ย่อมเป็นว่าข้าพเจ้าได้แสดงแล้วซึ่งทุตังค์คาถาอันสาธุชนควรสมท า, านเอาเพื่อความบริบูรณ์แห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้มักน้อยและความเป็นผู้สันโดษเป็นต้นอันเป็นเครื่องผ่องแผ้วแห่งศีลซึ่งมีประการที่ได้กล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมักที่ทรงแสดงด้วยมุก ค, ค, คือศีลสมาธิและปัญญา ด้วยพระพุทธนิพนธ์กฐานีิว่า น, นรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงทางรกชัดอันนี้เสได้ปริเฉตที่สองชื่อว่าทุตังคนิเทศในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมัก อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นเพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเฉทที่สองคำพีวิสุทธิมัก